ก่อนที่จะสมท า, านศิลหลวงพ่อเป็นผู้พานำสมาทานสินหลวงพ่อจะแนะนำหรือว่าบอกกล่าวเรื่องของสินให้แก่คณะทายาิโยมได้รับรู้รับทราบหลวงพ่อก็เคยไปนัสถานที่ต่างๆเมื่อคณะทายาิโยมกราบรัตนาสินประธานสงฆ์ท่านก็ให้สินแก่ พานำสมาทานสินสำหรับญาติโยมแต่หลวงพ่อเห็นหลายหลายครั้งก็มาคิดในใจว่าก่อนที่จะสมาทานสินควรจะแนะนำเรื่องของสินให้แก่ผู้ที่จะรักษาสินให้เข้าใจเป็นพื้นฐานพอสมควรอเ น, นสงของสินคืออะไรทำไมจึง มีทมพิธีขึ้นมาเราจึงรับสินสมาทานสินถือเป็นประเพณีกันมาตั้งแต่ดึกดำบันตั้งแต่โบ ร, โบราณแต่ทุกครั้งพวกเราก็ให้สังเกตดูเมื่อมีการอาราธนาสินหรือว่ามีศาสนพิธีเกิดขึ้นอย่างวันนี้อะอันดับแรกพวกเราก็จ้องสมาทานสินแต่วันนี้เป็นสินพิเศษ สักหน่อยก็คือพวกคณะสัตยา ญ, ญาติโยมบวชชีพามบวชชีพามบวชขาวดำชั่วข่าวบวชชีพามตามประเพณีท่านก็ให้รักษาศินอุโบสถให้รักษาศินมากกว่าศินห้าศิลอุโบสถนั้นคืออะไรศินห้านั้นคือเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ศีลห้าเป็นศีลทั่วไปที่เราไปในงานต่างๆเราก็อาราธนาศีลมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงหรือว่ามายังพันเตนเติชรเนนัสหะอัฏฐะอันนี้คือศีลแปดนะแต่เมื่อกี้นี้พวกเราอาราธนาศีลห้าแต่ต่อไปก็คงจะท่านพระครูท่านจะพานำบวชอีกที่นึง แต่เนี้ยรับสินเพื่อผู้ที่ไม่ถึงกระบวดเนี่ยบวชชีพามก็มาฟังเทศทั่วค่าวจะรักษาสินห้าก็ได้หรือว่าพวกเราที่จะบวชไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราจะรักษาสินห้าก่อนก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเพราะการสร้างคุณงามความดีสร้างเวลาไหนก็เป็นคุณงามความดีเวลานั้น่ะเพราะนั้น ในช่วงนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะแนะนําเรื่องของศีลให้แก่คณะทาัตไทยญาติโยมได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำ น, ำนะโมว่านะโมนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ปาณาทิปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพรเจ้าทั้งหลายจะงดเว้นในการฆ่าคือพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวพุทธบริษัทของพระองค์คือพุทธบริษัทสี่คืออุบาสกอุบาสิกาสมัมเนธพิกษุปต์พิกษุสมัมเนธอุบาสกอุบาสิกาศินของพระคือศินส2งร้ี่สิบเสัมเนคือคือสินสิบ สินอุบาสกอุบาสิกามีทั้งสิน8ปและสินห้าถ้าว่าผู้มีภาระมากก็ให้รักษาสินห้าเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแต่ถ้าว่าผู้เบาภาระขึ้นมาแล้วคือไม่ได้ทำภารกิจธุระมากก็รักษาสินอุโบสถเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสนี่แหละคือสินสำหรับสินของครวัตอย่างเราจะรับเดี๋ยวนี้ ว, ว่ารักษาศินห้า ปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าคำว่าฆ่าคำนี้น่ยมันกว้างขวางฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถึงฆ่าช้างม้าวัวควายจนถึงฆ่ามนุษย์ก็คือฆ่าเหมือนกันแต่บาปนั้นก็ต่างกันถ้าว่าฆ่ามดมันก็บาปในระดับหนึ่งแต่ฆ่าสัตว์ใหญ่ขึ้นไปก็บาป ฆ่าฆ่าคนธรรมดาก็บาปแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็บาปฆ่าพระหันฆ่าพระพุทธฆ่าพระรหันฆ่าพูกมีสิงมีธรรมบาปบาปหนักขึ้นไปแล้วมีขั้นตอนในบาปเหมือนกันอนี่ถ้าว่าพวกเราถึงยังไงก็ตามเขาว่าบาปเล็กบาปน้อยเหมือนกับไฟถึงจะมีเป็นไฟเล็กไฟน้อยไฟก้านไม่ขีดแต่เราไปจับมันก็ร้อนเหมือนกันไม่มือ เราเหมือนกันเพราะนั้นบาปอย่าทำเสียเลดีกว่าเพราะเรื่องเมื่อทาเข้าไปแล้วตัวของเราจะเดือดร้อนตามมาเพราะนั้นพระพุทธเจา้าบอกปานาติปาตาเวรมณีห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์การไปฆ่าคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรฆ่าพ่อฆ่าแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละ สินของพระพุทธเจ้าท่านเรามาพิจารณากันครองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไม่อยากจะให้เขามาทํากับเราเราก็ไม่ควรจะไปทําให้คนอื่นเขาอันนี้คือศิลข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินนาทานเขามาขโมยของเราถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกัน เขาก็เสียใจเขาว่าขาโมยคำนี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆออขโมย เ, เงินในธ น, น, นาคารในธนาคารเขามันมีวิธีกรรมวิธีการถึงเยอะแยะการขาโมยทุกวันเียตลอดถึงขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเข้าไปเรียกค่าไถ่เราไปทำให้กับเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาทำให้กับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเหมือนกัน เ, เหมือนกับปานา แล้ว ก, กาเมสุมิชัยจาราวรมณีก็เช่นเดียวกันสามีภรรยา ล, ลูกหลานของใครตระกูลของเขาเขาก็รักสังวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาร่วงล้ำเราละ่ะก็เช่นเดียวกันเพรา ะ, ะนั้นใหเ้เขารับสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปต้มตุนโกหกหลอกลวงเขาอย่าไปโกหกเขาถ้าเขามาโกหกเรา เราก็เสียใจเสียทรัพสมบัติอีกต่างหาบางทีมโกหกโกหกไม่ใช่ธรรมดาให้เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สมบัติก็มากต่อมากเพราะฉะนั้นเขามาโกหกเราเราไปโกหกเขาเขากับเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชฌะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คนดื่มสุราเข้าไปขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเรื่องศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่ห้าถ้าเราไปฆ่าถ้าเราไปดื่มเข้าไปแล้วขาดสติแล้วศีลข้อที่หนึ่งก็ขาดกันได้ข้อที่สองก็ขาดได้ที่สามที่สี่เพราะคนขาดสติ ทำความชั่วได้ทุกอย่างศิลทั้งสีข้อนั้นล่วงละเมิดได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าดื่มสุราเข้าไปถ้ามันเมาถ้ามเมาแล้วมันขาดสติขาดสติแล้วเป็นไงคนขาดสติทําความเสียหายได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะสัตยาติโธมทุกๆ ท, ท่านศินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ แต่พวกเราทุกท่านมีศีลห้าแล้วประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ชน ช, ชุมชนอยู่ในกลุ่มใดชุมชนอยู่ในกลุ่มนั้นก็มีแต่ความร่มเย็นผาสุขท่วนหน้ากันถ้าพวกเราขาดศีลธรรมมากๆอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความระแวงแคลงใจไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในชุมชนของเราเพราะชุมชนของเราไม่มีศีลธรรมขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมอันนี้คือศีลห้า แต่ถ้าอีกไม่นานพวกพวกเราท่านทั้งหลายก็จะได้บวชเนคข่ำคือรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือบวชเนคข่ำเนี่ยคือถา้าเป็นเครื่องขัดเกลาเกล็ถ้าเปียกกว่าพระก็คือว่าพระถือธุงสบสามเองในเตระสะธุดง13งะสบสแต่ถ้าว่าไม่รักษาก็ไม่ปรับอวบแต่ว่ารักษาเป็นเครื่องขัดเกลาทำให้เราเมีจิตใจเบา เดจะได้จะได้รู้เรื่องตนเองมากขึ้น <_ d ance> เพราะนั้นสำหรับญาติโยมท่านก็ให้รักษาสินอุโบสถหรวาสินแปดข้อที่ห้าข้อที่หเลยจากห้าไปเลยแต่จะเป็นหแล้วท่านนี่รักษาสินแปดวิการละโภชนาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าจงงดเว้นในการบริภโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไป คือเราจะไม่ทานอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปพอทานตอนเช้าถึงเที่ยงแล้วก็หยุดทำไมพระพุทธเจ้าจึงงดไม่ให้ทานอาหารเพราะเราท่านทั้งหลายเกิดมาก็กินอาหารอยู่แล้วแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ทานพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่ากินอยู่ทั้งวี่ทั้งวันเราจะไม่รู้ว่าธาตุขันของเรานี่คืออะไรมันติดในรัอาหารทดลองกดดูสิ อ, อทดลองตัดลิ้นดูซิไม่ให้กินอาหารมีความรู้สึกอย่างไรใจของเราเนี่ยท่านจะจะให้ดูใจนะ อ, อท่านจะให้ดูใจว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรในขณะที่อดอาหารไม่ทานอาหารเลยนะเ อ, อมันจะฉุนเฉียวมันจะโมโหโกธาหรือมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะอันนี้พิการละโผข้อที่หกข้อที่เจ็ดนัตจักีตวาทิตวิสูคือห้ามไม่ให้ฟัง หรือไปให้ทำร้องรำขับร้องหรือฟังเสียงดนตรีให้งดไว้ก่อนสรุปแล้วก็คือให้ตัดอารมณ์ทางหูออกให้ปิดหูไว้ก่อนในขณะที่รักษาศีลเพราะว่าเรามีรักษาถ้าเราไม่มีศีลข้อนี้เราไปนสสานที่ใดได้ยินเสียงดนตรีเข้ามาเข้าหูของเราใจของเราก็กระเพิ่อมนะใจของเราก็เพิ่มใจของเรา เอ่ยวันไห ว, ว้ควายแขว่งกับเสียงนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่างดอยาวฟังทดลองหน่อสิใจของเราจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือนัตจกักีเฮมาลาคันทวีเลงดกลิ่นเข้าทางจมกูกห้ามมา่ให้ทัดทรงดอกไม้ของหอมลูบไล้ร่างกายอันนี้เขาท่านก็ให้พิจารณาดูว่าร่างกายของเราเนี่ยเออมันปล่อยให้เป็นปกติ หรือว่าอาบหน้าชำระกายก็เพียงพอถ้าเราไปตกแต่งจนเกินไปก็ทำให้หลงไปในทางกิเลสกามราคะขึ้นมาได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปตกแต่งจนเกินไปคือให้เป็นสภาพให้ทาความสะอาดก็น่าจะเพียงพอถ้าเราไปทำเหมือนตัวลิเกลคร์แกิเลสราคะมันจะครอบงาทางด้านจิตใจของพวกมวลมนุษย์ของ อุบาสกอุบาสิกาขึ้นมาได้อันนี้ก็คือสินข้อที่แปดข้อที่เก้าอุจยาชยณะมหาสยนาห้าไม่ให้นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นและสำลีสรุปแล้วก็คือเป็นสินเก้านะพอแต้มตามจริงถ้าแยกจริงๆก็คือสินแปดแต่นี้มาลาและอุจาเนี่ยท่านก็เลยรวมเข้าไปเป็นสินข้อหนึ่ง อุบาสุบาสิกาพร้อมที่จะรักษาศีลทั้งข้อทั้งสองข้อนี้ได้ท่านยังรวมเข้ามาเป็นศีลแปดศีลแปดกับศีลเก้าข้อที่เก้านัดมาลากับปุจจาระศยนะหมาศยนาคือไม่ให้นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นแลส้สัมบีอย่าไปติดในการนอนจนเกินไปอันนี้คือศีลข้อข้อหนึ่งในศีลแปดนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อรักษาสินุบสถแล้วให้รักษาให้จริงๆอย่าให้ขาดตกบกพ่องถ้ามันขาดหรือพลอยสินพลอยศินด่างสินขาดศินทะลุเหมือนกับผ้าของเราถ้าผ้าของเราขาดเป็นยังไงผ้าของเราทะลุเป็นยังไงผ้าของเราด่างเป็นยังไงอด่างเดีย๋ยวเมื่อกดติดน้ํามันเครื่องติดยางรถอย่างไงนะติดยางมาต่อยอย่างไงนน่นะ แ่พลอยก็คือเหมือนกับฝนมันตกพ ร, รมใส่แล้วก็มันตกมันอะไรตกไข่บักเลยแหี่ยดำๆมันพลอยดูๆเราก็ไม่ดีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารักษาศินไปแล้วถ้าสินขาดก็คือล่วงละเมิดตั้งใจล่วงละเมิดในศินอันนั้นคือสินขาดถ้าสินด่างก็ทําให้ไม่รักษาสินไม่จงใจรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ อ่าสินอ่าเป็นศิลทะลุเหมือนกันสินทะลุกัขาดขาดเป็นช่วงๆอ่าสินพลอยเคยเข้ากันมัวหมองสินของเรามัวหมองทําไมจึงให้รักษาสินเพระพระเจ้าท่านบอกว่าก่อนที่จะเราก่อนที่จะทําบุญในแต่ละครั้งเนี่ยให้ชําระกายวายจาให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงรักให้รักษาสินซะก่อนเราจึงรับถวายทานอย่างอื่นหรือว่าเราจะภาวนา เราก็ให้รักษาศีลซะก่อนเป็นพื้นฐานในเมื่อเรารักษาศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานดีแล้วทําอย่างอื่นขึ้นก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกทางด้าน จ, จิตใจเพราะฉะนั้นศีลที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้ไม่ใช่ของเล็กน้อยขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่นั่งฟังอยู่ณสถานที่นี้พระพุทธเจ้าท่านม้วนศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีล สีเลนโภก็สัมปทานผู้จะมีโผคสสมบัติได้บั่งมีสีสุขได้เพราะสินสีเลนะนิพุติงยันติผู้ที่จะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะสินศินสรุปแล้วไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อเมื่อมีโอกาสเรขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจรักษาศินให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างวันนี้แหละคราวนี้แหละที่ม า, าทําพิธีฉลองโบสถ์อย่างเนี้ย หาโอกาสจะยากมากๆากในเมื่อเราได้มารักษาศีลแล้วก็ขอให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เราตั้งใจไว้กี่วันก็ให้มีสัจจะคือความจริงใจและความจริงจังและความตั้งใจของเราเราทําอย่างอื่นเราก็ทํามามากแล้วแต่คราวนี้เรามารักษาศีลก็ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยความตั้งใจของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลนานเท่านานเราจะรับเรา ลำลึกขึ้นมาเมื่ อ, อไรเราก็จะสบายใจเมื่อเรารักษาสินบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วตอนน่อไปหลวงพ่อจะพานำสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปปหมวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของวัดป่านโนนิเวศนะวัดป่านโนนิเวศตําบลหมากแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนื่องด้วยทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดป่านโนนิเวศได้กำหนดให้ วันที่23ถึงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2555เป็นวันฉลองสมโพธพระอุโบสถขึ้นเพื่อฉลองศรัทธาจากอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นหลายอย่างอาทิเช่นการเจริญพระพุทธมนต์เย็นการบวชชีพราหมณ์การสวดพุทธาพิเศษและการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นต้น ดังนั้นทางวัดป่านโนนิเวศซึ่งนำโดยพระครูวิสุทธิเมธาวัตเจ้าอาวาสวัดป่านโนนิเวศจึงค่ขออาราธนาพระคุณเจ้าในรายการดังต่อไปนี้อันนี้ก็คือหนังสือนิมนต์แต่วันนี้เป็นวันปฐมเมลข์นะเป็นวันที่ยี่สาเป็นวันที่23มีนาคมพุทธศักราช25ห้ารสิห้าเป็นวัน เปิดงานจึงมีคณะสาาจจัตญาติโยมผู้แสดงความจำนงเข้ามาบวชชีพรามที่นั่งอยู่ในบริเวณนี้เยอะทีเดียวหลายร้อยคนและแล้วก็ขอให้อยู่ตลอดรอดฝั่งนะคณะสัตายาติโยมนะให้รักษาศีลเพียง2วันนี้เป็นวันที่23 23 24 25นะ่าวันที่25เป็นวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันศุกร์ แล้วก็รักษาศีลเพียงสวันไม่ได้เหรอเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์3วันรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาสักสามวันไม่ได้เหรอให้ถามตนเองเราปล่อยป่าละเลยมาเท่าไหร่ปีหนึ่งปีหนึ่งมีสามร้อยวันเรารักษาคุณงามความดีเพียงสมวันไม่ได้เหรอให้ถามตนเองนะถ้าหว่าไม่ถามตนเองอย่างนั้น เราก็จะลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปหลงตามหาบัวท่านบอกว่ากิเลสเอาไปกินหมดทั้งสามร้อยหกสิบห้าวันมันไม่น่าจะถูกอันนี้เราให้ทำขยื้อไว้สักสามวันคือรักษาศีลให้บริสุดจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์ให้อยู่ในศีลในธรรมสักสามวันหลวงพ่อว่าจะเป็นสิริเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายนานเท่านานลําลึกขึ้นเมื่อไหร่ ใจของเราก็จะชื่นใจในการที่ได้เราได้มารักษาศีลได้ฟังพระธรรมเทศนาและได้ปฏิบัติในวัดโนนวิเวทแห่งนี้ยิ่งเรามีความทุกข์ใจเราก็ลํำลึกถึงคุณงามความดีอันดับแรกเราลํำลึกถึงอึบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มารักษาศีลที่วัดโนนวิเวทครั้งนั้นข้าพเจ้ารักษาศีลด้วยความตั้งอกตั้งใจ รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นขอให้มาเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าด้วยเทินในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เราก็รําำลึกได้ถ้าเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเสื่อเลยนะในทําก็ทําไปอย่างนั้นละละเ ล, ะ ล, ะละ่ห์เล่หเห็นเขาทำก็ทําไปโดยไม่จริงจังและไม่จริงใจเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง เราจะรำลึกถึงคุณงามความดีของเราได้อย่างไรอันนี้ก็ขอฝากไว้กับคณะรัตยาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านด้วยนะมารักษาศีลในคราวนี้ให้มารักษาศีลจริงจังจริงจังและจริงใจพวกเราจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพวกเรานานเท่านานแต่พวกเราทําแต่สักวธรรมเฉยๆเป็นธรรเป็นประเพณีเฉยๆมันไม่ถึงใจนะเราจิตธรรมคุณธรรมศีลธรรม นี่ของพระพุทธเจ้าน่ะไม่ใช่ของทํำเล่นๆไม่ใช่รำเพื่อหลอกตัวเองเป็นวันๆหลอกหมูห ล, ลอกกันไปหลอกกันมาไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องจริงจังพวกเราได้ศึกษาทีธรรมาเทศนาขององค์หลวงตาให้ศึกษาดูนั่นแหละหลวงตาพูดออกมาจากใจจริงหลวงตาบอกว่านรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพิสูุรได้ หลวงตาท่านบอกอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราเป็นลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาในเมืองอุดรของเราท่านเพิ่งจากไปหมาดๆใหม่ๆพวกเราอย่าให้คว้ยเขวให้เดินตามแนวแถวขององค์หลวงตาให้มีศีลมีธรรมอย่าไปเหอเรื่องนั้นอย่าไปเหอเรื่องนี้อย่าไปถือมงคลตื่นข่าวเขาว่าที่นั่นดีเขาว่าที่นี่ดีพลังอย่างนั้นพลังอย่างนี้น เข้าทรงอย่างนี้เข้าเสียงอย่างนี้กุ้เจ้าอย่างนั้น เ, เจ้าอย่างนี้วันนั้นดีวันนี้ร้ายไม่รู้ว่าอะไรต่อมิอะไรที่จะมาหลอกลวงเราแต่ถ้าเราไม่ได้ยึดตามแนวแถวขององค์หลวงตาพาดำเนินแล้วเขวได้ง่ายๆนะเขาพูดอะไรไปก็เขวไปตามเข า, เาวันนั้นดีวันนี้ฟูวันนั้นจมฮะแต่ตามไม่จริงหลวงตาสอนอย่างนั้นเหรอ หลวงตาเราไม่ได้สอนอย่างนั้นนะหลวงตาเราสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีในวันใดเดือนใดปีใดวันนั่นแหละเดือนนั่นแหละปีนั่นแหละเป็นเดือนดีแต่ทําชั่วเวลาใดวันใดเดือนใดปีใดวันนั่นแหละเดือนนั่นแหละปีนั่นแหละปีชั่วสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทำเพราะนั้นพวกเราให้ทำแต่กรรมดีอย่าไปทาสิ่งที่มันชั่วเสียหายนะ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 สัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุธิสาธิกาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะสทายาติโยมทกหมเหล่าจากจาตุรทศิศได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งน้ำใจเพื่อจะ ทำกิจกรรมฉลองอุโบสถวัดป่านโนนิเวศแห่งนี้ให้สำเร็จรูร่วงไปด้วยดีแต่พร้อมกันเราพวกเราก็ได้สร้างท้าวรวัตถุคือสิมมาหรือโบสถ์ขึ้นมาแต่พร้อมกันเราก็ได้เข้ามาบําเพ็ญกุศลมีให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมในวันฉลองโบสถ์ หรือว่าเป็นรัวันรมกิจกรรมในวันนี้จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งกับพุทธบริษัทหรือว่าในกลุ่มของเราหรือที่พวกเราได้รักเคารพนับถือเพราะนั้นขอให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมณนะสถานที่นี้ขอให้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและจริงใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเพราะนั้น พวกเราท่านทางหลายจะหาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากมากไม่ใช่ว่าจะหาได้ทุกวีทุกวันตั้งแต่สร้างวัดน น, นิเวศมามีกิจกรรมอย่างนี้กี่ครั้งพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญยิ่งครั้งหนึ่งในหลายปีที่ผ่านมาแต่บัดนี้พวกเราอย่าได้พลาดโอกาสให้พร้อมกันตั้งอกตั้งใจสมาทานศีลไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรม แต่วันนี้หลวงพ่อเองจะเน้นหนักเรื่องสมาธิเพราะว่าเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีกับพวกคณะสัทธาญาติโยงก็พงจะรู้แต่เรื่องสมาธินี่ถึงจะรู้รู้เท่าไหร่ใจของเราก็ยังถอยหลังเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบอย่างที่หลวงตามหาบัวท่านเคยเปรียบเทียบกันว่าเหมือนเออ เหมือนจูงหมาใส่ฝนลักษณะอย่างนั้น่ะถ้าว่าเรื่องสมาธิแล้วแนะนำเรื่องสมาธิแล้วใจของเรามันไม่สู้เลยเหมือนจูงหมาใส่ฝนนะเพราะนั้นถึงจะอย่างไรก็ตามหมาจะสะอาดได้มันก็ต้องฝนน้ำชะล้างมันหมาตัา น, นั้นจึงะสะอาดเพราะนั้นถึงจะกลัวฝนอย่างไงเราก็ต้องพยายามเออเอาหมาลงไปอาบน้ำชะน้ำร่างกายให้มันให้มันสะอาด ใจของเราก็เช่นเดียวกันพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าให้ทานพวกเราก็พอทำเนาเรื่องศักษาศีลก็ขยะขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งแต่มาพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่ยลูกศิษย์บอกไม่สู้เลยถอยหลังโกรธเลยเรื่องภาวนาแต่ตามไม่จริงเรื่องภาวนาเป็นถิงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำหรือได้บําเพ็ญ ร, รมเรื่องภาวนาเป็นเรื่อง สำคัญยิ่งเรื่องในหลักของพระพุทธศาสนาที่จะตัดภพตัดชาติที่จะเข้าสู่พระนิพพานไดออ้พระโสดาพระสกทาขาพระอนาคาพระรหันต้องภาวนาเท่านั้นแต่เรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดเออีเหมือนกับเป็นเปลือกเป็นกระพี้จะทำให้ต้นไม้ต้นนั้นมีแก่นขึ้นใครเข้าว่าถ้าว่าเอาคิดแต่เรื่องแก่นอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้แล้ว ต้นไม้จะเป็นแก่นไม่ได้เรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีมันเกี่ยวเนื่องกันแต่เราจะไปยินดีแต่เรื่องเปลือกเรื่องกัะพีเตัว น, นั้นมันไม่เป็นไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระเพราะว่าแก่นนั่นคือคือยอดยอดอันยอดยิ่งในหลักธรรมที่เรามุ่ง ม, มา่ปรารถนาก็คือแก่นต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างต้นมะข่าอย่างนี้ถ้าเราเห็นแต่เปลือกกระพีมันยังไม่มีแก่น เราก็ไม่ได้สนใจเพราะเหตุไรเพราะมันไม่มีแก่นแต่ใ น, นเราต้องการแก่นถ้าแก่นใหญ่เท่าไรยิ่งมีประโยชน์มากนี้ก็เหมือนกันเรื่องภาวนาเป็นเรื่องสั่งสมเรื่องของแก่นเครื่องของหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องทานก็ใช่ในระดับหนึ่งเรื่องทานคือคือเป็นเรื่องพื้นฐานในการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าคนไม่มีทานไม่มีการเสียสละการอยู่ด้วยกัน มีแต่ขี้ตนีทีเหนียวไม่มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันโลกมนุษย์ของเราก็อยู่ด้วยกันยากลำบากมากเพราะเขาหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ไม่มีการเฉลี่ยตกเฉลี่ยเจือจานต่อกันการทานมีหลายอย่างอามิษทานคือการให้อามิรให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารให้ปั จ, จัยสีเรียกว่าอามิษทานให้ธรรมทานก็นอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนาสั่งสอนทางด้าน จ, จิตใจ ว่าเราควรปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างไรควรรักษาศีลอย่างไรควรภาวนาอย่างไรอันนี้เราให้ทําเป็นฐานชี้นําทางด้านจิตใจให้พวกเราไปในทางที่ถูกต้องวิทยาทานก็คือครูบาอาจารย์แต่ละวิชาอาชีพสอนวิชาวิทยคาคณิตอังกฤษสอนวิชาเรื่องต่างๆเรื่องเกษตรเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรตัวมีอะไรมีมาก อันนั้นเขอวิทยาทานก็เป็นทานเหมือนกันให้ความรู้แก่มวลมนุษยชาติแต่ถ้าว่าตัวเองรู้แล้วไม่แนะนำไม่สั่งสอนให้แก่ใครโลกทั้งโลกคมมันไม่รู้จักทางไปอีกเหมือนกันเพราะไม่ได้รับการไม่ได้รับความรู้ความแนะนำสั่งสอนจากท่านที่ผู้ท่านผู้รู้ก่อนอันนี้ก็วิทยาทานอภัยทานกับพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันมากมายหลายคน บางทีก็พูดไปในทางที่ทำให้ไม่สบายใจคนอื่นบ้างบางทีกับการกระทาของเราทำให้กระทบกระเทือนคนอื่นเขาบ้างแต่ถึงยังไงทุกคนให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธเคืองกันจนกันเกินไปไม่ใช่ว่าเขาทำให้เราเนนิดหน่อยก็จองร่างจองผานผูกอาฆาตกัน<อ>แล้วก็ฆ่าลันฟันลันแทงกันจนได้รับความเสียหายอันนี้ก็ว่าไม่ดีอันนี้แปลว่าไม่ให้อภัยกัน การให้อภัยทานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนี่แหละทาน ม, มีอยู่หลายๆอย่างถ้าเราเปรียบเทียบหรือว่ า, อาบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบอามิสทานก็เป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญเราเกิดมาแล้วเกิดมาจากใครจ า, จากพ่ อ, จ า, พอจากแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนโตออกท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์อะไรบ้างเมื่อเราเกิดมาท่านก็ให้น้ำให้นม ให้อาหารการบริโภคให้ทุกอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นลูกหลานของเราที่เกิดใหม่เกิดขึ้นมานัเนี่ะตัวของเราก็เหมือนกันน่ะพ่อแม่เลี้ยงดูก็ไม่แพ้กันกับพวกเราเห็นเด็กๆที่เขาเลี้ยงกันพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็ลักษณะอย่างนั้นแล้วเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราเป็นใหญ่ซึ่งขนาดนี้แล้วเรารู้จักตีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควร เราควรแสดงความกระตันอยู่อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดอีกเหมือนกันพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มดรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทาบุญทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านไม่ให้ปล่อยประละเลยอย่างพ่อแม่ของเราท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ จะทำยังไงเราก็ทําบุญทิดส่วนกุศลเขาให้ท่านอีกอย่างที่องค์หลวงตาเหมือนกันท่านให้ทำมะกับเรา เ, เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราจะทําแทนคุณขององค์หลวงตาได้อย่างไร เ, เราก็คิดว่าเออเราจะต้องเสียสละทุนทรัพย์เพื่อสร้างเจดีย์บูชาพระคุณหลวงตาแต่หลวงตาท่านไม่ต้องการอะไรหรอกท่านเข้าสู่จุดตินิพานไปแล้ว แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องบูชาพระคุณ ข, ของท่านอันนี้เราอามิทบูชาแต่พวกเราปฏิบัติตนปฏิบัติตัวปฏิบั ต, รตรริตนดีมีศีลมีธรรมเรื่องกายวายใจของเรามีศีลมีธรรมอันนี้เราว่าปฏิบัติบูชานี่แหละอันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เราควรปฏิบัติตนอย่างไรเราก็ควรให้ข้าวน้ําโพอชนะอาหารไปไปมาหาสู่ ถามไทยเรื่องสุขภาพอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือหน้าที่ของบททีธธ่ดาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังไม่หยุดไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นอีกร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่ยังมีอยู่กับตัวของเราเราก็นำของที่มีอยู่ของพ่อของแม่นำไปทำมาค้าขายไปทำการทำงานได้เงินร่าเงินเดือนได้เงินตอบแทนมาเราก็ได้นาเงินเหล่านั้นที่พ่อแม่ใหมาร่างกายนี้ นำไปทำการทำงานเมื่อได้มาแล้วก่อนเราก็นำไปถวายหรือว่าไปสร้างท้าวรวัตถุหรือสร้างโบสถ์อย่างนี้หรือว่าทำบุญทำทานอันนี้เรากุศนกุศลให้พ่อให้แม่ของเราเมื่อท่านล่วงลับไปเออดวงวิญญาณของพ่อแม่สิงสถิตยอยู่ณนถะิ่นใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพาเจ้าที่ทาบุญทาทานวันนี้ด้วยเทอนินอันนี้คือการทำบุญ ส่วนเมื่อเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราจะทํำยังไงเมื่อมีชีวิตอยู่เราก็ช่วยเหลือท่านไปมาหาสู่ท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหน้าที่ของบุตรทิดาจะต้องดูแลพ่อแม่อันนี้คือบุคภาการีบุคคลผู้มีอุปกราระกอดพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตายอย่างไรอันนี้แหละ คำว่าทานทานเขานี้มีลักษณะอย่างนี้ส่วนรักษาศีลเห็นศีลคือคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนถ้าว่าไม่มีศีลอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบระแวงแคลงใจไม่รู้ว่าใครจะฆ่าจะยิงจะแทงจะวางระเบิดกันอย่างไรเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราไม่ไว้ใจกันเพราะต่างคนต่างไม่มีศีล อันนี้แหละสินก็คือสินคุ้มครองโลกถ้าพวกเรามีศินอยู่ณสถานที่ใดชนกลุ่มใดชนกลุ่มนั้นก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุขอันนี้แหละสินคุ้มครองไปอยู่ณสถานที่ใดก็สบายใจเนี่ยพบนี้ชาตินี้ก็มีความสุขถ้าหากว่าเกิดพบหน้าชาติหน้าศินก็คุ้มครองต่อไปอีกคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดมาพบหน้าชาติหน้าชีวิตเขาจะสั้นตายเร็ว พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นอธทินนาทานถ้าว่าใครไม่มีศีลในภพนิชาตินี้ถ้าว่าเกิดไปต่อไปภายภาคหน้ามีภพนิชาติก็มีแต่คนมาจ้องมาขโมยสิ่งของของเราจะหาความสงบพาสสุกไม่ได้ในชีวิตที่เกิดแล้วนั้ น, น, นเพราะเหตุอะไรเพราะตัวเองได้ทำกรรมกับเขาไว้ในอดีตชาติกรารเมสุมิชฌาจารก็เหมือนกันสามีภรรยาเป็นผู้วายอยากซอนอยาก พูดอะไรก็มานิดๆเนี่ยเราจมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมีแต่หาเรื่องหาราวใส่กันหาความสงบพักสุขไม่ได้ในครอบครัวอันนี้ก็คือสิขาดสินข้อที่3ข้อที่สี่มุสาไปทันสถานที่ใดไปพูดให้ใครฟังก็าหาความเชื่อถือไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะตัวเองเคยโกหกเข้ามาก่อนถึงจะพูดคําจริงขนาดไหนเขาก็เอ๊ะโกหกหรือเปล่านะเพราะเหตุไรเพราะตัวเองเคยโกหกเข้ามาเป็นทุนเดิมในอดีตชาตินะ่ะ พราะผู้ใดย่าวท่านตัดไว้อย่า ง, งานั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีวาจาสัต์จริงไปพูดในสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายอันนั้นก็เป็นบุญหรือ ว, ว่าเป็นอันนิสง์ของสินของท่านอีกเหมือนกันในข้อที่ห้าสุรามีระยะถ้าว่าผู้ใดมีศินบริสุทธิ์บริบูรณ์ในอดีตชาติเกิดมาพบในชาตินี้ก็เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาคิดอ่านอะไรก็ ทะลุปูโปงความจําก็จดจําได้แม่นได้ถูกต้องแต่ถ้าว่าผู้ใดมีบาปกรรมในอดีตดื่มสุราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ถ้ามันหนักนเกินไปท่านว่าจะต้องเป็นบ้าซะก่อนเนีคนดื่มสุรานี่ยแหละคืออันนี้สงแหงคนที่เป็นโรคบ้านี่ก็คือบาปกรรมในอดีตก็คือพวกหนักไปทางของหมื่นเมาพวกสุราเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้อย่างนั้น มันมีที่ไปที่มาทั้งหมดในการที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าว่าผู้ใดก็ตามเกิดมาแล้วทําไมจึงร่ํารวยจึงมีเกินคําทรัพย์สมบัติก็เพราะว่าในชาติก่อนเขายินดีในการทําบุญทําทานยินดีในการทําทานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเขาก็เป็นคนรวยแต่ถา้าเกิดมาพบนีชาตินี้ไม่ยินดีในการทําทานในจะทานสิ่งของจะเสียสละสิ่งของให้แก่แก่แกใครเสียดายทั้งหมดอันนี้ก็ เกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้อดอยากจะไม่มีธรรมมาค้าขายก็ทุกๆยากๆลําบากไปหมดเพราะอะไรเพราะอันนี้สงทานไม่มีนี่แหละข้อที่ห้าเนี่ยสุราเมระยะมัชฌะเนี่ยคุ้มครองให้พวกเรามีความ ส, สงบร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอันนี้คือสินอันดับแรกก็คือทานร่มเย็นเป็นสุขสินก็ ค, คุ้มครองพวกเรา แต่ในวันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องภาวนาทีนี้ภาวนานี่เป็นหัวใจหลักหลักของพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะดำรงรงได้ก็เพราะเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนตัดกับต้นไม้ต้นไม้ตัว น, นั้นต้องมีรากแก้วนะหนึ่งคือรากแก้วคือคือเรื่องภาวนารากแก้วนั่นคืออะคือใจ ใจของเรามีหลักใจของเรามีกฎมีเกณฑ์ใจของเราเที่ยงตรงใจของเรามีสมาธิจิตใจของเราไม่ห ว, วั่นไหวแกล้งจิตใจของเราซื่อตรงจิตใจของเรามีสมาธิอ่าจิตใจของเราหนักแน่นมีเหตุมีผลอือจะฟังจะพูดจะค็ดสิ่งใดมีเหตุมีผลในเรื่องการกระทานั้นก่อนที่จะทามีเหตุมีผลอย่างนั้นได้ ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้แบบได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าเรามีสมาธิในจิตใจเราได้ฝึกสมาธิแล้วนั่นแหละจิตใจของเราจะมั่นคงจิตใจของเราจะเที่ยงตรงจิตใจของเราจะไม่หวันไหวในเรื่องอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นการภาวนาได้ทำอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อจะแนะนำจุดนี้แหละคือหาหลักให้แก่จิตใจหาหลักยึดให้แก่ใจของพวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราท่านทั้งหลายถ้าไม่มีหลักยึดแล้วพวกเราได้ยินเขาพูดเรื่องอะไรพวกเราก็หวั่นไหวเชื่อเขาไปได้ง่ายๆเขาวหวอย่างไงก็นู่นะจะให้กราบอะไรก็กราบหมดจะให้ไหวอะไรก็ไหวหมดไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์แต่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีเหตุมีผลต้องฟังเหตุและฟังผลทำอย่างนั้นเพื่ออะไรได้อะไรเสียอะไรมีประโยชน์ไหมอย่างนี้ ถ้าเราได้มาศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะแยกแยะออกว่าอันไหนควรมิควรอย่างไรในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ดูใจเป็นหลักใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจแก่แต่ก่อนที่จะมาถึงใจได้นี่ก็นั่นแหละเราก็ต้องมีทานมีศีลอย่างที่ว่านะเป็นพื้นฐานมากอ่อนคือสรุปได้คือตั้งศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อ ให้มีความเชื่อเป็นพื้นฐานถ้าเราไม่มีความเชื่อแล้วเราจะจะมารักษาศีลก็ไม่ได้จะให้ทานก็ไม่ได้จะัมานั่งภาวนาก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อนะถ้าเมื่อเราเชื่อแล้วเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกแน่นอนถึงเราเชื่ออะไรไงเชื่อตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาสั่งสอนไว้ก่อน จากนั้นเมื่อเราเชื่อเป็นพื้นฐานแล้วเราก็นํามาปฏิบัติ like right ลนลงมือปฏิบัติเหมือนกับเราเชื่อในแผนที่ลักษณะอย่างนั้นนะ่ะเขาเขียนแผนที่ให้มาหนึ่งผู้ที่เขาเขียน <k> เขาเคยรู้ไว้ก่อนแล้วเขาเขียนแผนที่ทนันท้เราเมื่อเขียนแผนที่เราก็เชื่อในแผนที่ในเมื่อในแผนที่เราก็มาศึกษาแผนที่เมื่อศึกษาแผนที่แล้วก็เดินตามแผนที่นี่แหละตามขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันพวกเรา ได้ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเรากนน่าจะเดินตามเดินตามอย่างไรเนี่ยหลวงปู่มั่นของพวกเราที่เป็นตน้ตนต้นตระกูลของพระกรรมฐานสอนเรื่องภาวนานคือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่ น, นแต่ก่อนท่านก็อยู่จังหวัดอุบลโค้งสุดท้ายและวาระสุดท้า ย, ยท่านไปอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่ชล้หลายปี จากนั้นเจ้าคุณธรรมจดีวัดโพธิสมวัดโพธิสมพรของเราเนี่ยเคลื่อนไปกราบราราธนาท่านให้ลงมาทางอีสานก็ น, นับว่าหลวงปู่ธรรมจดีของเราเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อคนอีสานต่อพี่น้องลูกหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นพอหลวงปู่มั่นองค์อื่นท่านไปก็ท่านก็ไม่รับแต่ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีดีถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านจะคุ้มครองดูแลหลวงปู่มั่นได้ ท่านก็รับอาราธนาจากนั้นท่านก็ได้ลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาทางรถไฟมาถึงอุดรท่านก็มาจาพรรษาวัดโนนิเวศของเราเนี่แหละเป็นพรรษาแรกที่มันมาที่ที่มาจําพรรษาวัดนนิเวศคือหลวงปู่มั่นนะนี่แดนพระอาหารหันต์เคยอยู่วัดนี้มาก่อนคือหลวงปู่มั่นเคยจาพรรษาอยู่ที่วัดนนิเวศ จากนั้นพอออกพรรษาแล้วท่านก็ได้แยกย้ายลงไปสกล น, นครจากนั้นท่านก็เดิเดนเข้าไปไปจำอยู่ที่บ้านน้องผือไปอยู่ที่บ้านโคกมณ์ก่อนบ้านโคกมน์ตาบลตองโขบวัดอำเภอสีสุพรรณใกลๆวัดดอยธรรมเจดีหลวงปู่มันไปอยู่ในแถบนั้นจากนั้นท่านก็ขยับเข้าไปอยู่ในป่าไปอยู่บ้านน้องผือนาใน จำพรรษาอยู่ห้าหกปีจากนั้นท่านก็ได้ละสังขารที่วัดป่าสุทธวาสจังหวัดสกล น, นครเนี่วัดป่าโนนนิเวศของเราเนี่ยเป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ธรรมเจดีได้กราบพระราตนาหลวงปู่มั่นมาจำพรรษาที่นี่ถือว่าวัดนี้เป็นวัดมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราฉะนั้นพวกเราคณนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้มารักษาศีลในคราวนี้ในครั้งนี้นะ ให้ลําลึกถึงองค์หลวงปู่มั่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์้วยบุญบารมีของหลวงปู่หลวงปู่สอนอย่างไรที่นี่เนี่ยถ้าว่าศักดิ์สิทธิ์คํานี้หลวงปู่ทำยังไงสอนยังไงท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายหลวงปู่มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธเนี่ยนี่แหละเหลวงปู่ท่านสอนหลวงปู่ฟั่นก็สอนพุทโธหลวงปู่เขาไปก็พุทโธหลวงปู่ลา่านก็สอนพุทโธครูบาอาจารย์ทุกองในสายหลวงปู่มั่น ท่านให้สอนภาวนาพุทธโธหลวงปู่มั่นให้เหตุผลว่าจริตของคนเนี่ยการภาวนาพุทธโธเนี่ยเกือบถูกกับทุกจริตทันวลาอย่างนั้นจะเป็นราคะจริตก็ดีโทสะจริตก็ดีโมหะจริตก็ดีพุทธจริตก็ดีราคะจริตก็ดีถ้าหาว่าภาวนาพุทธโธวิตกจวิตจริตก็ดีถ้าภาวนาพุทธโธกับลมหายใจเข้าออกเนี่ย เกือบถูกกับทุกจริตท่านเขาไม่ว่าถูกกับทุกจริตนะเกือบทุกจริตเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นสิทธ์ยาวนุสิทธ์และเป็นลูกหลานขององค์หลวงปู่มั่นที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังเนีเราก็ควรจะยึดแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นทางอื่นเขาสอนยังไงเราก็ฟังฟังเอาไว้ยกน้อพ้องน้ออันนั้นก็ใช่ก็ถูกหรือว่ากําหนดตัวผู้รู้ หรือกำหนดการเคลื่อนไหวอะไรในลักษณะอย่างนั้นเราก็ฟังแต่ว่าให้พวกเราฟังเอาไว้ก็คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือในสายหลวงปู่มั่นพวกเราควรจะฟังเป็นพิเศษแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติอีกด้วยเพราะเหตุไรเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาร์คูบาอาจารย์ทุกองค์ ที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วพวกเราได้พระราชทานเพลิงหรือว่าได้ประชุมเพลิงของท่านแต่ละองค์ไม่นานกระดูของท่านก็ได้กลายเป็นพระ ธ, ธาตุเม็ดกลมให้พวกเราได้กราบได้ไหว้ได้เคารพสักการะบูชาตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกองค์ใดก็ตามถ้าตายไปแล้วกระดูของท่านได้กลายเป็นพระธาตุนั่นแหละคือพระอรหรันต์นะ เพราะนั้นพวกเรามั่นใจเต่ว่าพวกเราเกิดมาถึงจะเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็จริงแต่พวกเราก็มั่นใจว่าเราได้กราบพระอรหันต์เพราะอธิธาติของท่านได้กลายเป็นพระธาตุทั้งที่เราเก็บเองเราได้ดูแลเองอย่างอธิธาติของคุณแม่ชีแก้วหลวงตามหาบัวท่านก็ บ, บอกว่าแม่ชีแก้วเนี่ยเราได้สอบถามดูแล้วเขามาเล่ า, าการเป็นภาวนาให้ใหเราฟังแล้ว ถึงจะเป็นแม่ชีก็เถอะแต่ละเขาตั้งใจภาวนาพิธีการการเดินมรรคของเขาเขาเดินอย่างไรจนถึงเขาได้ผลวันที่ได้สําเร็จวันที่หายสงสัยในธรรมเขาก็มาเล่าให้เราฟังเรารับรองเขาว่านี่แหละพระรหานแล้วจบแล้วจบเพียงแค่นีนะ้เราเป็นอย่างไรไม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นทางด้านจิตใจเรารับรองอันนี้เราก็พวกเราในฐานะ ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทั้งหลายก็ได้ฟังจากนั้นพอคุณแม่ชีแก้วท่านอายุ90ปีท่านก็ได้ละสังขารได้มรณภาพลงไปเราก็ได้ไปชุมเพลิงท่านเมื่อไปชุมเพลิงท่านไม่นานอติธาติของท่านก็ได้กลายเป็นแก้วขึ้นมาเหมือนกับแก้วเป็นแก้วขุนและแก้วแตกลักษณะนะ่งแก้วขุนขนทั้งที่ตะก่อนเป็นกระดูกฮะนี่แหละ อันนี้ก็คือกระดูกได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้เชื่อมั่นว่ากระดูกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ปฏิบัติตามแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นล้วนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลมามากมากมายหลายหลายองค์ถ้าจะพูดเรียงลำดับแล้วก็มากทีเดียวเพราะนั้นพวกเราให้มั่นใจ มั่นใจให้เดินตามแนวแถวสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาารยของพวกเราไม่ผิดทางแน่แต่พวกเราให้ศึกษาให้ดีหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรท่านให้สอนให้ภาวนากําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าก่อนที่พวกเราจะนั่งภาวนาหลวงพ่อเลียงรดับพอบางคนครูบาอาจารย์ท่านก็ออกมีแต่ว่าสอนให้ภาวนาเนอะพวกเราก็ไม่รู้จะตั้งตน นับหนึ่งสองสามไปยังไงหลวงพ่อบอกเลยว่าวันไหนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมารักษาศีลอุโบสถอย่างวันนี้ล่ะมาบวชเนกข้ำอย่างนี้ล่ะเราไหว้พระส่วนรวมเราก็ว่าส่วนรวมรวมกันแต่พอเราจะหลับจะนอนจริงๆตามลำพังของเราเราก็ไหว้พระอีกครั้งหนึ่งนั่งกระยงปนมือลาหังสวาร์คตสุปฏิปนโนกราบสามครั้งแล้วกราบพุโทโธธรรมโมสังโฆ หลวงปู่ล่าท่านยังให้แถมอีกนะเวลาท่านสอนพวกหลวงพ่อนะบอกพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังเรากราบพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้กราบเพียงเลาะๆเลยแหละไม่ได้กราบอย่างอื่นเรากราบเพื่อหวังพระนิพพานฮจะไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารยังว่ากราบพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังให้รำลึกถึงพระนิพพานด้วยนี่แหละ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนท่านเอาจิตสั่งสอนออกมาจากใจจริงของท่านในเมื่อเรากล่าวไหว้พระเสร็จแล้วเรากา็ไหว้อรหังสวะขาโตสุปฏิปันโนนโมตสสะพุทธัทงธรรมังสังขังสุดแท้แต่พวกเราจะไหว้ได้ขนาดไหนแต่สุดท้ายเราก็แผ่เมตตาอราหังสุกิตโตโหมินิทุกโหมิพอจบจริงๆเราก็ตั้งจิตให้แน่วแน่ ตั้งจิตแผ่เมตตาข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไต่โลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินะนึกในใจคือแผ่เมตตาให้ทั่วโลกจักรวาลให้มีความสุขสุขทั่วหน้ากันคนที่มีเมตตาในจิตใจไปนสถานที่ใดจะไม่มีพิษมีภยัยจะไม่มีเวรมีภยัย เพราเราต้องการความสุขอย่างไรเราก็อำนวยความสุขให้เขาเกื้อก er, ูลหนุนเขาอยากจะให้เขามีความสุขอย่างที่เราต้องการนี่แหละถ้าคนมีเมตตาอยู่ในจิตในใจแล้วมีแต่ความผาสุขใครใครเห็นก็มีแต่ความสงสารเมตตาเราก็เมตตาเขาเขาก็เมตตาเราแต่เราอิจฉาเขาเขาก็อิจฉาเราเราจะจะฆ่าเขาเขาก็อยากจะฆ่าเราเอเราโกงเขาก็โกงเรา มันเป็นอย่างนั้นโลกนี่ถ้าเรามีเมตตากับเขาเขาก็ต้องปีนเมตตากับเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าไปนะอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในป่าดงพงภพัยอยู่ในถ้ำในเขียวอยู่ในปา่าช้าอยู่ในที่กลัวๆที่ไหนก็ตามให้แผ่เมตตาเนอะให้นึกในใจว่าข้าพเจ้ า, า, จ, าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่ว ทุกหัวและแหงทั่วทรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาด้วยเทินนึกในใจอย่างนั้นไปอยู่นัสถานที่ใดหลับจะตื่นเป็นสุขฝันก็ไม่ฝันร้ายคนที่มีเมตตาเนี่ยขอให้พวกเราคณะสถาญาติโ ย, ยมทั้งหลายฟังฟังเอาไว้นะและนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นเมื่อไหว้พระจบ แผ่เมตตาจบแล้วก็นั่งขัดสมาธิหรือเราจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ตามไม่จริงถ้าเราจะเอาจริงจังเราต้องนั่งขัดสมาธิจะดีกว่าถ้าเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายทาไมท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิเพราะนั่งถ้าเรานั่งนานๆเท่านั่งท่านั่งเองียงนั่งพับเพียบเอียงมันจะหนักไปข้าง ถ้าหนักข้างขวามันก็นหนักไปทางขวามันจะปวดไปทางขวาขวาทั้งหลังทั้งขวามันจะมันจะหนักมันจะเน็บแต่ถ้าเรานั่งตรงเ อ, อร่างกายของเราอยู่ในสภาพตรงทั้งสองขาทั้งสองข้างแลกษาทับกัน อ, อจากเมื่อเมื่อนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกปนมมือไหว้ครูสัก่ันพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ พุทโธธัมโมสังโฆสามจบคือไหว้ครูสัก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้ภาวนาก็ดีไหว้พระสวดมนต์ก็ดีคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทเป็นผู้ได้ตัดสรู้พระธรรมในเมื่อได้รู้พระธรรมพระองค์ก็ประกาศพระธรรมคำสอนของพระองค์ออกมาพระสงฆ์ก็แนะนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาบอกกล่าวมาแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราก็ได้รับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าพระพุทธเจ้ากนดีพระธรรมกนดีพระสงฆ์คนดีเป็นผู้มีอุปกรารคุณเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับพวกเราพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางด้าน จ, จิตใจจากนั้นเมื่อเราลึกเลืกถึงพุทโธธรรมสังโฆจบเรียบร้อยแล้วเราก็วางมือลงมือขวาทับมือซ้าย จากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธแต่พวกเราท่านทั้งหลายบอกข้าพเจ้าไม่เคยภาวนาไม่เคยกําหนดลมหายใจเข้าออกกําหนดยังไงมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่รู้มันไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นเราก็กระแทกลมใชหายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรง หายใจเข้าโรงแหลมหายใจออกโรงแรมสักสองสามสี่ห้าหกครั้งเราจะรู้ไลยว่าลมกระทบที่ไหนในเมื่อลมกระทบที่ดั้งจมูกปลายจมูกซานจมูกอย่างเนีน้เราเอาสติจับอยู่ตรงนั้นเฮ้เราผ่อนผ่อผ่อนผลมลงให้เป็นปกติเมื่อเมื่อปกติแล้วเวลาหายใจเขา้าเราบริกรรมบอกพุดหายใจออกบริกรรมว่าโถหายใจเขา้าพดไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้อง ไม่ต้องตามลมเขาไปถึงปอดไม่ตามลมไม่ตม้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่ว่าให้ลมกระทบที่ปลายจมูกเท่านั้นแหละเราให้มีสติกับลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจวิรกรรมพธหายใจออกบ ร, ร, ร, ริกรรมโถหายใจเข้าพุดหายใจออกโถนี่แหละวิธีการภาวนาไม่ยากง่ายนิดเดียวถ้าเราได้รู้แล้วเราไปต้องยกคันห้าคันแปไปต้องมีพิธีรีตองอะไรทั้งหมด เราจะเดินไปที่ไหนเออที่วิธีนั่งทำอย่างนี้วิธีเดินหลวงพ่อนพวกเราอยากจะถามวิธีเดินหน่หลวงปู่มั่นท่านก็สอนหลวงปู่มั่นท้าว่าถ้าเราอยู่ในในวัดอยู่ในทางเดินจงกลมเราก็มีทางเดินอยกบทาทางให้ปัดกวาดให้เตียนเออให้ได้ประมาณสัก1ิเก้ายี่สิบยี่าิบเาทำสั้นนักถ้าสั้นนักเนี่ยมันเวียนศีรษะ ประมาณนี้แหละพอดีแต่ถ้าว่ามีความจําเป็นจริงไม่ว่ากันสั้นหรือยาวก็ได้แต่ถ้าทางตรงกลมสั้นมันเวียนชีษะเวลาเราทาทางเดินจงกรมเราก็ปน ม, มือขึ้นในระวังที่สุดของด่านทางเดินจงกรมซะก่อนไปนมมือขึ้นก่อนจากนั้นพอปน ม, มือขึ้นแล้วเราก็ไหว้ขู่ะก่อนพูดโถทำโมสังโถอย่างที่ว่าอาจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข จากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงเอาวางวางไว้ในระหว่างท้องนะมือประสานกันในระหว่างท้องมือขวาทับมือซ้ายหลวงปู่มั่นท่านสอนท่านบอกว่าเดินยองกลมเนี่ยต้องเป็นท่าลําพึงนะต้องเป็นท่าลําพึงอย่าเอามือควายหลังอย่าไปควายแขนอย่าไปกอดอกถ้ากอดอกเป็นลักษณะคนมีทุกข์ดูลักษณะเหมือนกับคนมีทุกข์ในใจคนกอดอกท่าควายหลังเหมือนกับลักษณะ ถ่านนักเลงฮะถ้าเอามือไกวแขนเหมือนกับเราขาดความเคารพถ้าเอามือประสานกันที่ท้องขณะที่เดินท้องน้อยเราอามือประสานกันแล้วก็เดินขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทธโถพุทโถเราจะหมุนขวาก็ได้เป็นการพัทธศิลป์หรือจะหมุนซ้ายก็ได้สุดแท้แต่ความถนัดแต่หุนหมุนขวาเนามากจะดีกว่าเพราะเป็นพักธิลป์ ก็เอาขาขวาพุทขาซ้ายถูพุทธโถพุทโถแต่บางคนในยุคสมัยนี้หลวงพ่อก็ได้ยินอีกว่าทำไมสายหลวงปู่มัน่นทำไมเอาพุทโถใส่ตีนตัวเองเหยียบย่ำพุทโถทั้งเหยาาียบทั้งขาขวาขาเหยียบทั้งขาซ้ายด้วยตีนซ้ายตีนขวาด้เหยียบพุทธโถขาดความเคารพอันนี้ก็คือคนที่พูดขึ้นมาหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อว่าเอาเอเราไม่ได้ เหยียบย่ำทำลายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราเชิดชูบูชาแต่พวกเราท่านท่านคิดให้ดีก็แล้วกันว่าหัวหรือเท้าเนี่ยศีรษะกับเท้าเนี่ยใครเป็นคนสมมุติขึ้นพวกเรารู้ไหมว่าใครเป็นคนสมมติว่าหัวเนี่สูงศีรษะเนี่สูสงเท้าต่ําเท้าต่ําศีรษะสูงใครเป็นคนสมมติเราเป็นคนสมมุติใช่ไหมศีรษะมันไม่ได้บอกว่าค่าสูงนะเท้าก็ไม่ได้ว่าค่าต่ํานะใช่ไหม ถามมันดูสิมันก็ไม่ได้บอกว่าเท้าต่ําศีรษะสูงแต่เราให้ความสมมุติท่เองถ้าหากว่าเราคิดว่าเท้ามันต่ําศีรษะมันสูงแล้วก็ตัดเท้าทิ้งสิแล้วเอาให้ศีรษะเดินดสิมันเดินได้ไหมมันเดินไม่ได้นั่นแหละเราต้องให้ความสําคัญเท้ากับศีษะนี่คืออันหนึ่งอันเดียวกันเออคืออวัยวะอันเดียวกันถ้าว่าขาดอันใหนอันหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะอันไหน วันไหวอันนี้เรานั่งอยู่เอมันเราจะรู้ได้ก็คือลมหายใจเพราะลมหายใจมันเดินอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถมันเดินอยู่เรามันจวนอื่นของมันไม่เดินมันมันนิ่งแล้วแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าออกแต่เมื่อเราเดินเราจะไปกําหนดลมหายใจเข้าออกไม่ได้มันสับสนมันเหนื่อยเราก็ต้องขาขวาพุทธขาซ้ายโถ เอาพุโทโธอยู่กับการก้าวเดินของพวกเรานี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะในการเดินก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายถูกนี่แหละพวกเราท่านทางหลายจะไปเดินนอยู่ในมุมไหนก็ตามในกรรมฐานวัดวาศาสนาไหนก็ตามอยู่วัดไหนก็ตามให้ถ้าพวกเราเดินอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละแนวแถวของหลวงปู่มั่น ปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้อาานนสอนอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อได้เข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์แต่วางท่านท่านกอไม่นได้สอนละเอียดอย่างหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเห็นว่าคนยุคใหม่สมัยใหม่ห่าเงเหินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และถ้าวว่าไม่พูดให้ฟังในรายละเอียดมันก็ตั้งต้นชนบายไม่ถูกจับต้นชนบายไม่ถูกอีกเหมือนกัน เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้บอกเราให้ชัดเจนนี่แหละคือการภาวนานะอันนี้คือสมถะนะอันนี้เพียงสมถะคือทําจิตใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโตถ้าเราพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแต่ไม่ให้เผลอเสเลยเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องมีเผลอเวลานั้งภาวนาไปมันจะหลุดพดุออกไปเรื่อยพุไปเรื่อยบางทีจับไม่ทันไม่ลู้วนไปที่ไหนบางทีจนจะออกจากสมาธิ เราจึงรู้ได้โอ้เรานั่งสมาธินี่วะเ อ, อเมื่อกี้เราคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้ไนะอย่างนั้นมันก็มีแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นต่อไปเราต้องพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกอย่าให้เผลอนะหายใจเข้าหายใจออกตรงถ้ามันเผลอจริงๆหลวงพ่อบอกวิธีแนะวิธีแต่หลวงพ่อเคยแนะวิธี อ, อแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมีทั้งสี่สิบอย่างนะแล้ววิธีเดินยงกลมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่แช่ว่าเดินเข้าไปเลยเ ยี่สแล้วก็กลับมาอย่างนั้นเออนนั้นคือปกติคือปกติดันเดินอย่างนั้นแต่ถ้าว่าทางเดินไม่มีพิกษุนีในครั้งพุทธกาลภิกษุนีแก่นะท่านบสถเมื่อภายแก่ท่านจะเดินกลางคืนถ้าก็ไม่มีไฟตาของท่านก็ไม่ดีท่านก็เอามือเกาะต้นเสานะเอามือขวาเอามือขวาเนีเกาะต้นเสาท่านก็เดินกําหนดลมหายใจเข้าพุทโธพุทธโธเอามือเกาะต้นเสา เดินรอบต้นเสาฟังดูสิอันนี้ก็คือการเดินโยกกลมเหมือนกันเมื่อท่านเดินไปท่านเดินเกาะต้นเสาเอามือขวาเกาะต้นเสาแล้วก็ค่อยๆเดินก้าวไปทีละช้าๆมีสติจากนั้นเท่ากับจิตใจของท่านเป็นสมาธิเห็นอ น, นุอ น, นิจังทุกขังอนัตตาท่านก็ได้สําเร็จมรรคสมบูรณ์แล้วสําเร็จผลเป็นพระอระหันต์ในขณะที่เดินโยกกลมเกาะต้นเสาอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นการเดินโยกกลม อย่าไปว่าเดินกยกมเป็นทางทั้งนั้นคือทา ง, ท, างที่ถูกต้องก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือการเดินโยกมให้มีสติถ้ามีสติแล้วเดินยังไงก็ได้ถูกถ้าไม่ถ้าไม่มีสติแล้วเดินยังไงมันก็ไม่ดีไม่ถูกมันไม่ถูกเพราะตรงที่มันขาดสตินี่นี่แหละคําว่าสติคํานี้แหละสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเมื่อเรานั่งสมาธิก็ให้มีสติเวลาเดินก็ให้มีสติ เวลาทำกิจการงานก็ให้มีสติสตินี่เป็นสิ่งที่จะเป็นสำคัญในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อผนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญจากนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจของเราเอาสติอยู่กับตัวเองบริกรรมถ้ามันหลุดออกไปบ่อยเราก็สามทับดูให้ภาวนาพุทโธให้ถีดูเจ๊ ขณะที่ใจเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้มันคิดเรื่องอะไรเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็ถูกเหมือนกันคือบัดสัมทับเข้าสู่จิตใจตรงที่นึกคิดตัวนั้น่ะอย่าให้มันนึกคิดไปทางอื่นให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปนี่แหละอันนี้ก็คือภาวนาบริกรรมพุทโธให้เป็นหลักในเมื่อเราบริกรรมดูในจุดนั้นจิตของเราไม่มีทางออก จิตของเราก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้นี่แหละในเมื่อเราภาวนาอย่างนั้นแล้วมันอื้ออัดมันแน่นหน้าอกเพราะพุโทโธพุโทโธให้ทดเราลองนับดูสินะวิธีการนับดูทดลองนับหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่นับไปถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่ไม่หลงไม่เผลอคำว่าเผลอมันเผล อ, อยังไงเวลามันเผลน่ะมันเลนวลานับไปไม่ถึงสิบ แล้มไปถึงยี่สิบสามสิบมันจะเบอร์เบอ ร, เบอร์มันจะเพอเพอแตมันเพอมันอะไรเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี้ใช่ไหมหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขี้คู่ขี่คู่คี่ไปถึงร้อยอันนี้ก็คือภาวนาจากนั้นถ้ามันจะเพอเนี่ยมันมันฉลับกันนะท่เวลาหายใจเข้ามันเป็นเลขคู่หายใจออกมันเป็นเลขขี่้ อ, อ, ขขอันนี้แปลว่า เราเผลอสติแล้วตั้งต้นไหมให้แข้มแข็งขึ้นอีกนี่แหละวิธีการฝึกเรื่องสตินะต่อไปเมื่อเราฝึกสติดีแล้วใจของเราแน่นแน่ห น, นามั่นคงแล้วทีนี้ใจของเราเนิ่งใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจสงบเนี่ยมันจะจิตจะรวมว่าเย็นสบายคือใจมันไม่ออกไปข้างนอกไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง ใจิตใจรวมวา่าเพียงวา่าเพียงข้าเดียวแล้วก็เย็นเพียงข้างเดียวมันจะจําไม่ลืมมันมีความสุขมากเ อ, อมีความสุขจําไม่ลืมอันนี้แหะคือคณิกะสมาธิต่อไปเรามีความพยายามมีความ ม, มุ่งมั่นมีความตั้งใจอีกไม่ให้มันเผลออีกใจของเราจะรวมสงบลงเป็นอุปจาระสมาธิอุปจาระคํานใี้ใครเข้าจิตใจของเราไม่ถึงกับรวมสงบแต่ว่าอยู่ในอยู่ในกรอบ เอถ้าต่ก่อนเหมือนกระจของเราเป็นเอนักเลงและเป็นผู้ร้ายอย่างนั้นล่ะมันออกนอกกลุก่มออกเล็ดเล็ดลอดออกไปตำรวจจับไม่ได้มันเล็ดมันลอดออกไปแต่บัด น, นี้ตำรวจเนี่ยคือสติของเราเป็นตำรวจเนี่ยพยายามจับตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนั้นอ่ะม่ให้มันออกให้มันอยู่นิ่งจับให้มันอยู่ใจตอนนี้ตำรวจกับใส่โซ่ใส่ตัวเข้ามันล่ะมันจะไปที่ไหนอสติของเรากิตามดู ดูทันจิตของเราต่อไปจิตกับสตินี่ก็ไปจิตของเราก็รูอ่ะจะจิตของเราสติของเรารู้ว่าจิตใจของเราคิดเรื่องอะไรอันนี้แหละอันนี้คืออุปจารสมาธิจิตใจก็อยู่นิ่งจิตใจอยู่นะเนี่ยจะพูดไปก็คือจิตใจของเรามันอยู่มันไม่วอกแฟกเหมือนแต่ก่อนไม่ทะเลทลายเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเอาไม่อยู่ทะเลทลายไม่รู้คิดเรื่องอะไรตอมีอะไรมากมาย แต่บัดนี้สติของเราจับอยู่อันนี้เราอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเลยหายเงียบลงไปเลยสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอั น, นเดียวกันอันนี้คือจิตที่เป็นสมาธิที่สูงสุดในสมาธิทั้งหลายพอรวมงสงบลงถึงขนาดนั้นแล้วเราจะไม่ได้ยินทางหูหูเราจะไม่ได้ยิน เ, เสียงฟ้าร้องฟ้าฟ้ า, ฟาเสียงลดเสียงลาเสียงอะไรทั้งหมด มันจะเงียบอยู่ตามลําพังมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายก็ไม่รู้ว่ากายของเราเป็นยังไงเราไม่ได้สนใจมีได้เห็นตะจิตอย่างเดียวกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งจากนั้นบางคนก็อยู่ได้านานบางคนก็อยู่ได้ไม่นานสีหนาทีก็ถอนออกมาพอถอนออกมาเราก็รู้ได้โดยตนเองแล้โอ้โหมื่อกี้นี่ใจของเรารวมอะใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่งใจของเราเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจของเราเย็ยนมีความสุขจริงๆ อออเพียงแค่นี้เราก็ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วะวัานัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าจริงอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจริงหนอเนะเราจะยอมรับในภาคปฏิบัติของพว ก, กเรานี่แหละคือสมาธิสมาธิเนี่ยมีอยู่สามเท่านี้คือขณิกอุปจาระอปปนาอันนี้คือสมาธิ บอกกล่าวให้แก่คณะกรรมกา ญ, ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบคือสมาธิจากนั้นเราจะเดินปัญญาอย่างไรเดินวิปัสสนาอย่างไรมันมีขั้นตอนเมื่อจิตเข้าสู่ผ่านความสงบไปแล้วมันผ่านความสงบแล้วต้ น, นญญี้เดินปัญญาเดินปัญญาเดินเราก็ยึดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าให้กรรมาฐานห้ากรรมาฐานห้าคือเกสารุมานะขาทันตาตะโจ เกสาคือผมโลมาคือขนหน้าขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังแต่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราตลวงปู่มั่นของเราบอกเราให้แกขคณิติตัางหลายท่งางบอให้แยกแย ก, แยกดูสิมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเอออยู่ในในตัวของเราเนี่ยแยกส่วนแบ่งส่วนออกมา ถอนขนออกมาวางไว้กองหนึ่งขนของเราถอดเ อ, อาไหมถอนไว้กองหนึ่งเล็บของเราถอดไว้กองหนึ่งฟันของเราถอนไว้ทุกสี่ออกมาไว้กองหนึ่งตะโจหนังตลกหนังทั้งหมดออกมาไว้กองหนึ่งมังสังเนื้อชั้แหละเนื้อของเราเอาไว้กองหนึ่งกระดูกเป็นท่อนๆวางไว้ตัาปอดไส้หัวใจพวกม้ามพวกไตเอาไว้เป็นกองๆถูกไหแล้วให้ดู ให้กำหนดดูให้ใจของเราเนี่ยกำหนดดูใจได้รับความสงบผ่านความสงบมาแล้วจิตใจที่ผ่านความสงบความเป็นหนึ่งมาแล้วมันจะเห็นได้ชัดเลยทีนี้มองเห็นร่างกายได้ชัดเลยแยกตัวไหนออกไปก็จะเห็นได้ชัดอันนี้แหละคือร่างกายเป็นอย่างนั้นจริงไหมร่างกายเราใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นร่างกายเราแต่มันแยกจากนี้เป็นร่างกายเราใช่ไหม heart, 是是ไม่ใช่อันนั้นคือตับอันนั้นคือปอดอันนั้นคือลำไส้อันนั้นคือหวัวใจ อันนั้นคือหนังอันนั้นค ah ือเนื้ออันนั้นคือเอ็นอันนั้นคือกระดูกมันแยกออกเลยนี่อันไหนคือเรามันก็จะตอบว่ามันไม่ใช่เราใช่แล้วมันเป็นมันแยกส่วนแบ่งส่วนแล้วไม่ใช่เราแต่ถ้ามันเป็นเข้ามาอยู่ในตัวของเราอันนี้คือเราแต่พอชำรยออกแล้วไม่ใช่เราฮะทำไมมันทาไมจึงหลอกตัวเองว่าไม่ใช่เราเพราะว่าดูแล้วมันเป็นส่วนแต่ละส่วนนี่แหละ ใจอย่าหลงตัวเองนะใจนะท่นี่สอนใจแล้วทีดูใจแล้วนะท่านี่เพราะใจผ่านความสงบมาแล้วมันจะมองใจตัวเองได้มันจะมองใจตัวเองออกแนละ้วท่ใจอย่าหลงใจนะขณะร่างกายแท้ของเราวักเป็นของเรายังไม่ใช่ของเรานะใจนะในเมื่อขณะร่างกายยังไม่ใช่ของเราจะของอื่นละ่ะยังโบสถ์พิหารวัดวาศาสนาศรัทธาญาติโยบวาสุบาสิกาสามีภรรยาลูกหลาน กิจการงานร้านค้าต่างๆจะเป็นของเราได้อย่างไรใจใช่ไหมขณะดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมใจใจมัน ก, ก็ยอมรับไปทีละน้อยละน้อยเพราะเหตุ อ, อะไรเพราะมันจริงอย่างนั้นนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือท่านเอาความจริงมาแนะนำเอาความจริงมาสั่งสอนเมื่อเราเห็นจริงภายนอกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเออสิ่งเหล่านั้นเปียงแต่เพียงปัจจัยอาศัย ชั่วครัง้งชั่วคราวอีกทักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะแตกตายสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟนี่อันนี้แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายในเมื่อพิ่เรนานั่งไกยถึงเข้ามาหาใจเหใจของเราทํำไมจึงเป็นหลงหลงสิ่งเหล่านั้นใจของเรานี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมาตรฐานใจิตใจของเราบ็อกแฟก ค, คิดนั้นคิดนี้ปรุงนั้นปรุงนี้มีเรื่องดีใจมีเรื่องเสียใจเสียใจ ดีใจเสียใจเสียใจดีใจก็คือจิตใจมีความสุขปลอดโปร่งแต่เสียใจจิตใจมีทุกข์มันจะเศร้าหมองจิตใจดําจิตใจไม่พงไม่โปร่งใสอันนี้เนี่ยมันเกิดอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดําเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดําเดี๋ยวขาวเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวพองใสเดี๋ยวเศร้าหมองอยู่ตลอดไปลาใจดวงนี้อยู่ในกฎอันนิจจังของไม่เที่ยงใจตรงนี้ก็เป็นอันนิจจัง ไม่เที่ยงสิ่งไหนเป็นสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนปล่อยวางกระทั่งใจถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นใจแล้วปล่อยวางที่ใจแล้วเราได้อะไรมันรู้จริงแค้นจริงปล่อยได้เหมือนกับเราตะก่อนเราเรียนหนังสือเราไม่ได้เรียนหนังสือเราโง่ อ, อยู่เราไม่ได้เรียนกอไก่คอไข่ A B C D หนึ่งสองสามวันททีนเราไม่รู้ แต่บัดนี้เรารู้กอไ ข, ข่คอไข่คอโกดขอควายเป็นยังไงนี่แหละความรู้ตัวนั้นแหละความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นมันในจุดที่มันโง่แต่ก่อนที่มันโง่มันหลงราคะโทสะโมหะว่าเป็นของเราแต่บัดนี้เรารู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางนิ่พิธาคือความปล่อยความวางในจุดนี้เมื่อจิจอยปล่อยวางแล้วก็นี่แหละพระรหันต์ไม่ต้องหาที่ไหนมันอยู่ที่ใจมันเกิดในจุดนั้นแหละจุดที่มันหลงนั่นนแหละพระรหันต์ไม่ใช่เกิดอยู่ที่อื่น เพราะนั้นขอให้คณะสัทยาดยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้มาร่วมพร้อมเพียงสามัคคีในวันนี้หลวงพ่อได้เรียงลําดับให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาจะเน้นหนักเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้นําไปประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้นัดทําตนหรือปฏิบัติตนอย่างที่หลวงพ่อได้ แนะนำได้กล่าวคิดว่าไม่ผิดแน่อันนี้คือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่แนะนำสั่งสอนเบื้องต้นหลวงพ่อเองได้ยกเป็นพระบาลีขึ้นว่าสัพเพสังสังฆภูตาหนังสามกีวุท ธ, ธิสาธิกาความหมายและความแปลก็บอกว่า ความพร้อมเพียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สําเร็จเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันวันนี้พวกเราได้มีความพร้อมเพียงสมัคีกันได้มาพร้อมใจกันไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลภาวนาสิ่งไหนที่พอจะจะสเร็จได้มันก็จะสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาถ้าว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหันหลังให้กันไม่มีความพร้อมเพียงสมัคี่ อย่าหวังเลยวันนี้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราที่มีความพร้อมเพียงมีความสมัครใถึงหลวงพ่อจะอยู่ยในป่าลงพงไพ่จากเมืองอุดรไปตั้งร้อยกว่ากิโลหลวงพ่อยังด้นดานมาแล้วก็มาแสดงความยินดีแล้วก็มาบอกกล่าวแนะนำํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พวกคณกศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาแล้วก็พวกเราเมื่อได้ยินได้ศึกษาแล้วก็ศึกษาแล้วก็นําไปกันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลพวกเราก็จะ ประสบสำเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนาการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบุญบา ร, รมีของหลวงปู่มั่นที่ท่านได้มาจำพรรษาณสถานที่นี่พร้อมกับพระสงฆ์หลายองค์ด้วยบุญกุศลนั้นขอให้คุ้มครอง คณะสัยา ญ, ญาติโยมทุกหมเหล่าขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมแล้วก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกท่า น, านปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทินสาธุ